ที่นี่นะก็เพราะโครงการพื้นที่ชีวิตนะชักชวนถึงจะไม่ได้มาในนามของพื้นที่ชีวิตนะแต่ว่าทุกชีวิตนี่ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเล็กหรือชีวิตใหญ่แม้จะเป็นคนสัตว์จะสัตว์ใหญ่หรือแม้แต่แมลงก็ต้องการพื้นที่

ยิ่งคนเราด้วยแล้วนี่นะเราไม่ได้แค่ต้องการพื้นที่ที่นั่งนะนอนเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้เราต้องการพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นที่หรือที่ดินเนี่ยมันมีราคาแพงมากคนเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ย

เขาก็คิดฝันแต่ว่าเออนะเขาจะมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่หรือว่ามีแล้วก็ยังใหญ่ได้อีกหลายแปลงบ้านที่อยู่นะแม้ว่ามันจะกว้างขวางโอทโงก็ยังรู้สึกว่ามันยังกว้างไม่พออยากจะขยับขยายออกไปให้กว้างขึ้นคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่

พูดกันมาเนี่ยนะที่พูดมาสักครู่เนี่ยมันก็เป็นแค่พื้นที่ทางกายนะคนเราเนี่ยนะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยแค่กายอย่างเดียวนะโดยเพราะคนเราเนี่ยชีวิตคนเราก็ประกอบไปด้วยกายกับใจเราคิดถึงแต่พื้นที่ทางกายพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านพื้นที่สำหรับการขยะอาณาจักรทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่

พื้นที่ทางกายเท่านั้นแหละแต่ก็อย่าลืมนะว่าใจเรานะก็พื้นที่ทางจิตใจก็สำคัญเหมือนกันคือยิงพื้นที่ทางใจเนี่ยนะก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้นะมันก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่านะ

ขับแคบหรือคับแค้นได้ใจเนี่ยมันเป็นนามนธรรมมันไม่ต้องการพื้นที่แต่ว่าใจของเราเนี่ก็สร้างโลกขึ้นมานะเป็นโลกซึ่งลึกลับซับซ้อนมากตรงนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ของใจและเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะกับโลกภายในหรือโลกของใจเนี่ย

เราก็เลยปล่อยใจให้หลงจมอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ปัจจุบันได้โลกภายในโลกของใจเราเที่เราสร้างขึ้นมามันซับซ้อนมากนะ

แล้วก็มันมักจะเต็มไปด้วยอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งเรื้อแล้วแต่เป็นความทรงจำที่ดีก็มีที่ไม่ดีที่ทำให้เจ็บปวดก็มีแต่คนจำนวไม่น้อยเนียเน่ยก็หลงพลาดเข้าไปนะในในมุมในหลืบที่ดำมืดที่เต็มไปด้วยความรับแค้นใจหรือว่าทำให้

เจ็บปวดแล้วก็หลงติดอยู่ในมุมเหล่านั้นนะกว่าจองไปได้นี้ก็เหนื่อยในวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราหลงเข้าไปนะในมุมในหลืกที่เต็มไปด้วยความทุกขนะ์กี่ครั้งนะมาแต่ขณะที่ทำวสวหมดหรือแม้แต่ขณะที่กำลังฟังธรรมก็จะเผลอพลัดเข้าไป

เขาไปอยู่ในความทรงจำนะที่เจ็บปวดหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเพราะเหตุ น, นี้แหละนะมันทำให้เกิดภาวะคับแค้นใจขึ้นนะกับคนเรามีที่กว้างขวางนะมีอนาบริเวณนะกว้างขวางเพียงใดนะแต่ผู้คนจานวนไม่น้อยก็ยังมีความทุกข์เขาไม่ได้คับกายนะแต่เขาคับใจ

มันมีสำเนาว่าครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากแล้วคนที่คับใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าที่ที่เขาอยู่บ้านที่เขาอาศัยเนี่ยมันเล็กมันแคบไม่แต่ติดคุกด้วยซ้ำบางทีก็มีบ้านที่ใหญ่โตนะมีอนาบริเวณที่โอทงแต่ว่าก็เป็นทุกข์นะอยู่ในภาะวะที่เรียกว่าคับใจนะเพราะอะไรนะก็เพราะใจเนี่ยมันหลงจมอยู่ในมุมในหลืบในซอกนะ

ที่เป็นความทรงจำอันเจ็บปวดอาจจะเป็นอาจจะนึกถึงคำพูดหรือการกระทำของใครบางคนที่ทำให้เจ็บแค้นนะหรือทำให้เกิดความขุนเคื่องขึ้นมาแล้วก็หลงติดอยู่ในมุมนั้นแหละเราต้องรู้จักนะพาใจเรากลับมานะพาใจเรากลับมา

จะปล่อยให้มันหลงนะไปในนะในมุมนะในหลืบที่มันเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดหรือบางคนก็ไปขนเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมามามาไว้นะในจิตใจของตัวจิตใจของตัวเนี่ยมันมีแต่เรื่องมันมีแต่อารมณ์มันมีแต่ความคิดที่เป็นลบอารมณ์ที่เศร้าหมอง

มันหมักหมมมันสะสมนะกลายเป็นคล้ายเป็นบ้านที่รกนะเคยสํารวจใจของเราบ้างหรือเปล่านะบางคนเนี่ยบ้านสะอาดนะบ้านสะอาดสะอ้านโอถงแต่ว่าใจนี่รกนะรกไปด้วยอารมณ์อารมณ์ที่เป็นลบนาน า, นาชนิดเศร้าโศกเสียใจเครียดวิตกกังวลนะขับแค้นนะ

พยาบากอิกจฉาใจของคนนะจนุไม่น้อยเป็นอย่างนั้นนะมันนั่ น, ม, นนะมันรกนะมันระเกะระกะไปด้วยอารมณ์และความคิดที่เศร้าหมองอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จักนะกลับมาอยู่กับพื้นที่ที่มันเหมาะที่สุดของใจนะพื้นที่ของใจเนะี่ยที่มัน

มันเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยคือตรงนี้นะไม่ใช่ที่ไหนไม่ไม่ใช่ที่บ้านนะไม่ใช่ที่ทำงานนะไม่ใช่ที่ไหนเลยนะตรงนี้แหละนะคือพื้นที่นะสำหรับจิตใจของเราแล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวนี้นะก็คือพื้นที่ที่เหมาะที่สุด

นะสำหรับจิตใจของเราเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับจิตใจของเราไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่ตรงโน้นไม่ใช่ตรงนั้นนะแต่ว่าเป็นตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะแม้ว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนเล็กนะอย่างเช่นตอนนี้นะเรานั่งอยู่อาสนะที่เรานั่งก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรนะ

เอื้อมมือไปนะก็ก็แตะนะไปถูกเพื่อนของเราทั้งซ้ายทั้งขวาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะดูมันเล็กนะแต่นั่นเป็นความเล็กทางกายแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจเรามาอยู่ตรงนี้นะเราจะรู้สึกถึงความโอถงโล่งภายในพื้นที่ทางกายแคนะ่แต่พื้นที่ทางใจนะเมื่อต่ก็ตามที่เรานะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ

มันจะโอโถุกมันจะโล่งมันจะกว้างมันจะเบานะมันจะไร้ขอบเขตทีเดียวนั่นคือภาวะรู้สึกตัวนั่นคะือความรู้สึกตัวเมื่อเกิดขึ้นนะกับเราเมื่อไรเนี่ยนะจะรู้สึก ถ, ถึงความโปรง่งความเบานะความกว้างความโล่งมันตรงข้ามกับภาวะที่เรียกว่าคับแค้นใจหรือว่าคับใจนะ

คนที่ขับใจเนี่ยนะเพราะว่าใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่ที่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่เดี๋ยวนี้นะแต่เขาไปอยู่กับนะอดีตนะที่เลวร้ายนะเช่นเวลาอยู่บ้านนะอยู่บ้านนึกถึงการกระทำที่ไม่ดีนะของพี่น้องนะหรือว่าของคู่ครองนะบางทีเรื่องก็ผ่านไปหลายปี

นะแต่ก็ยังนะยังเก็บเอามาคิดใจมันก็หมงมุ่นอยู่กับไอ้เรื่องราวในอดีตนี่แหละนะซึ่งทำให้รู้สึกคับใจนะอยู่บ้านอยู่บ้านร่วมชายคาเดียวกับคนคนนั้นนะหรือคนเหล่านั้นเนะี่ยแม่บ้านจะใหญ่นะแต่ว่าก็คับใจอันนี้พ่ออะไรพาะเขาเนี่ยนะไม่รู้จักพาใจเนี่ยกลับมาอยู่

นะพื้นที่ที่เหมาะสําหรับตัวเองนะเหมาสหรับจิตแจงตัวคือตรงนี้นะก็คือปัจจุบันพาใจกลับมานะอยู่ตรงนีนะ้เราจะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นนะลองฝึกดูนะการเจริญสติเนี่ยที่เรามาปฏิบัติที่นี่ก็เพื่อให้ใจเราเนี่ยได้กลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนเราทุกเนี่ยนะเพราะว่า

คิดถึงแต่เรื่องอดีตนะหรือไม่ก็ไปพรวงกับอนาคตนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดนะรวดร้าวในอดีตความผิดหวังความล้มเหลวนะหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนทำให้เกิดความรู้สึกผิดนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทุกข์นะใจแล้วก็ปร่งใจแล้วก็สบายเมื่อใดก็ตามที่ใจเราไม่ไปคิดถึงนะ

เหตุการณ์เลวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นนะมันปรุงทั้งแท่นะปรุงเอานะแล้วเราก็ปรุงอยู่ตลอดเวลาคนท้กวันนี้เครียดนะก็เพราะความวิตกกังวลนะเราวิตกกังวลทุกครั้งที่เรานึกถึงเหตุการณ์ข้างหน้านะแล้วเราก็สร้างภาพนะปรุงแต่งในทางที่เลวร้านยะเช่นเวลาเราเดินทางนะ

ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเกิดรถติดขึ้นมาเนี่ยนะที่จริงรถติดเนี่ยมันก็แค่ทำให้เสียเวลานะแต่ทำไมหลายคนเนี่ยนะจึงหงุดหงิดนะก็เพราะาใจเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วว่าถ้ารถติดแบบนี้ก็จะไปทำงานสายไปส่งลูกไม่ทันจนะทำให้

ขาดประชุมนัดสำคัญหรือว่าตกเครื่องบินนะหรือว่าผิดนัด ก, กับเพื่อนถามว่ามันเกิดขึ้นหรือยังนะยังไม่เกิดนะแต่ว่าใจคิดไปละโน่นคิดไปโน่นละใจมันไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วแล้วก็ปรุงแต่งนะแล้วเราก็ฉงเชื่อนะสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยพอหลงเชื่อสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นงานกังวลนะเครียด

บางคนก็กระวนกระวนกระวายเลยนะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเราติดนะเราทุกข์เพราะใจที่ปรุงแต่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเอาข้ามจริงก็มันไม่เกิดขึ้นก็มีนะลองทบทวนนะใคร้ครวนนะจิตใจของเรานะเวลาที่มีมความทุกข์ใจเนี่ย

มันเกิดเพราะอะไร เ, เดี๋ยวนี้เรามีความสะดกสบายทางกา ย, ยมากมายมากกว่าคนยุคใดไม่เคยมีคนยุคไหนที่จะสะดกสบายเท่ากับพวกเราเแต่ว่าความทุกข์ใจนี่ น, นะกลับมากเหลือเกิ น, นแล้วความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็พลอยทำให้

เกิดความเจ็บป่วยตามมามันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเขาพบว่าคนเดี่ยวนี้เนี่ยทั้งๆ ท, ที่ไม่ค่อยได้ได้ใช้แรงนะไม่ค่อยได้ทำงานหนักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนที่ปวดหลังเนี่ยเยอะมากคนสมัยก่อนที่ทำงานหนักนะใช้แรงงานเยอะนะ

แต่ว่าอัตราคนที่เป็นโรคปวดหลังเนี่ยมีน้อยสมัยนี้นะไม่ได้ใช้แรงนะไม่ได้ยกของอะไรเท่าไหร่นะจับจอดจับเสียมก็แทบจะไม่เคยแตะแต่ว่าปวดหลังกันเยอะมากอันนี้เป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่ า, าเป็นเพราะไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ออกกำลังกายนะ

เนะพราะฉะนั้นเนี่ยพ อ, อทำโน่นทำนี่นิดหน่อยเนี่ยนั่งนานๆ น, น, นี่ก็ปวดหลังละหรือว่ายกของนะไม่กี่ไม่กี่อย่างนะของก็ไม่หนักก็ปวดหลังละเพราะว่าไม่ได้ใช้หลังหรือไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ที่จริงนั่นก็เป็นส่วนประกอบนะหเหตุผลจริงๆคือความเครียดนะความเครียด

ผลยู่นี้แม้แม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยได้ใช้งานหนักนะแต่ว่าจิตใจมันทํางานหนักมากและจิตใจที่ทํางานหนักนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าคิดเรื่องงานเรื่องการนะมากเท่าไหร่นะแต่เพียเพราะความคิดความปรุงแต่งปรุงแต่งมากกว่าปรุงแต่งไม่ใช่ปรุงแต่งเรื่องงานด้วย

ก็พบว่าคนที่ทํางานเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสมมุติในอย่างมึงนอกก็ทำงานเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ยเวลาที่ใช้ในการทํางานจริงๆนะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหรืองานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็แค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแหละก็คือประมาณยี่สห้าเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซนไอ้ที่เหลือเนี่ยคิดฟุ้งปรุงแต่งนะคิดไปนะถึงเรื่องต่างๆมากมายบางทีก็ใจลอย

บางทีก็ทำเรื่องที่ไม่ใช่งานนะคิดเรื่องที่ไม่ใช่งานนะคิดถึงเรื่องบ้านคิดถึงเรื่องลูกนะจะเรียนที่ไหนจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยอะไรบางทีก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไม่เกี่ยวงานนะแต่ว่าพอคิดไปแล้วก็ทำให้วิตกกังวลบางทีคิดเรื่องงานแต่ไม่ใช่ตัวงานนะแต่คิดไปถึงโน่นนะปรุงแต่งไปว่าถ้า ง, งานไม่สำเร็จงานมีอุปสรรคจะทอยางไง

นะมันเป็นการคิดซะเยอะนะแต่ว่าไอ้ที่ทำมันน้อยนะอันนี้มันความคิดปรุงแต่งนะที่คนเราไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหรนะ่เรามาเจอิลสติอย่างนี้นะมันเป็นโอกาสดีนะที่จะทาให้เราได้กลับมานะได้กลับมาดูแลจิตใจของเรานะได้กลับมาสร้างพื้นที่แห่งความผาสุกสงบเย็นให้กับจิตใจของเรานะแทนที่เป็นพื้นที่ที่รุ่มร้อนหรือว่ารกไปด้วยนะ

ความคิดอารมณ์และความทรงจำที่เจ็บปวดหรือว่าหมักหมมนะไปด้วยอารมณ์ที่เป็นลบวันแตละวันนี่เราเก็บสะสมหมักมมอารมณ์เหล่านี้ไว้เยอะมากนะเพราะความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละคิดแต่ละทีเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันก็ตามด้วยอารมณ์นะความคิดกับอารมณ์มันไปด้วยกันนะเราคิดถึงคนที่เขาว่าเรา

คิดถึงคำพูดที่เสียดแทงใจเราเราก็โกรธนะคิดถึงเงินที่หายนะของที่ถูกขโมยแล้วก็เสียดายแล้วก็อะไราอาวอนคิดถึงการกระทาที่ไม่ดีที่ที่ทำกับพ่อกับแม่หรือกับคนรักเช่นลูกก็เสียใจนะคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จงานที่ยังคาอยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเราทุกข์เพราะความคิดนะ

เราทุกวความคิดและความคิดมันก็เลยปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่ทั้งเผารนทั้งบีบคันนะทั้งทิ่มแทงนะให้กลับมาสังเกตจิตใจของเรานะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจเรานะฝานรุ่งปรุ ง, รงปรุงแต่งไปอย่างไรบ้างทันทีเรามามาปฏิบัติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะมันก็เพื่อเพื่อ

เพื่อฝึกใจเราเนี่ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจากใจที่มันร่อนเล่นนะระเหเร่ร่อนนะหรือว่ า, าท่องเที่ยวสุดท้ายก็กลายเป็นระหกระเหินแล้วก็กลายเป็นกระเซาอกระเซิเนี่ยวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ า, น เ, าเนี่ยเราจะฝึกใจนะเพื่อให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว

เริ่มต้นโดยการฝึกให้รู้กายก่อนนะนะรู้กายก็หมายความว่าเวลายกมือเนี่ยเราก็รู้ว่ามือยกรู้นี่ไม่ใช่เพราะตาเห็นนะแต่เป็นเพราะรู้สึกนะหมายความว่าแม้ตาเราจะปิดนะแต่เราก็รู้ว่ายกมือนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกนะเกิดขึ้นกับร่างกายว่ามือกำลังยกแต่ว่าเราก็ไม่ปิดตานะ

แต่ว่าความรู้สึกที่ว่านี้มเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายเราก็เลยรู้สึกแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจเราลอยนะใจเราลอยแปลอดีตบ้างหลแผลอนาคตบ้างนะยิ่งจมไปในความคิดนะที่มันมันนึงดูดใจนะหรือเรื่องราวที่ฝังใจเนี่ยนะหรือเรื่องที่ยังวิตกกังวลเนี่ย

มันจะจมเข้าไปในความคิดเลยนะจกนกระทั่งไม่รู้เลยนะว่ามือกำลังยกสังเกตไหบ่อยครั้งเนี่ยเรายกมือไปนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามือกำลังยกเดินก็เหมือนกันนะเดินใจก็อ่าเท้าก็เดินตัวก็ขยับนะแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกนะว่าตัวกำลังเคลื่อนขยับเพราะใจลอยนะใจลอยไปแล้ว

ไปนึกถึงบ้านนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงแฟนนึกถึงงานต่อเมื่อใจเนี่ยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อไรเนี่ยนะหรือใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจึงจะรู้สึกว่าตัวกาลังเดินเท้ากาลังขยับหรือว่ามือกาลังยกถึงตอนั้นเราเรียกว่ารู้สึกตัวนะและมันก็ตามไปด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใหม่ๆแล้วก็ฝึกตรงนี้ก่อนนะฝึกให้แค่รู้นะแค่รู้กาย

ก็คือร่วากายทำอะไรนะตอนหลังเนี่ยนะก็จะรู้ใจนะก็คือว่าพอใจมันคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยก็รู้ทันรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสตินะสติเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือว่าเราลึกได้นะจำได้นะจำได้ว่ากุฏิเราอยู่ไหนนะ

เราวางรองเท้าไว้ตรงไหนจำได้ว่ารองเท้าเราสีอะไรนะเราจำได้ว่าคนที่นอนห้องเดียวกับเราเป็นใครนะเราใช้สติเนี่ยนะในการดำรงชีวิตนะในเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายนับไม่ทวนนะแต่ว่าสติยังมีความสามารถหรือคุณสมบัติอีกอย่าง น, นึงก็คือนะทำให้รู้นะ

รู้ทันนะทำให้รู้ว่านะตอนนี้นะมีใจมันกำลังคิดหรือว่ากำลังมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นสติยังช่วยทำให้ใจเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ทาหน้าที่ตรงนี้เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าสติทำหน้าที่ผูกจิตนะสติเป็นเครื่องผูกจิต

ั้ถ้าเรามีสติดีเนี่ยสติเราวายคล่องแคล่วเนี่ยนะจิตเราก็จะอยู่กับตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวนะเมื่อยจิตอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่ว่ายกมือหรือเดินนะนะก็จะรู้สึกเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างต่อเนื่องนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เราก็เรียกว่าสัมปชัญญะนะนั้นะนะสัมปชัญญะกับสติเนี่ยนะนะเกื้อกูลกัน

เมื่อมีสตินะก็จะมีสัพชัญญะเมื่อมีความระลึกได้มันก็เกิดความรู้ตัวตามมานี้ถ้าเราฝึกให้มีสตินะรู้กายบ่อยๆเนี่ยนะต่อไปเมื่อใจมันคิดนึกอะไรไปเนี่ยนะก็จะสติก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นถ้าเราไม่ฝึกให้สติให้มีสติรู้กายเนี่ยนะมันก็ยากนะที่จะไปรู้ใจเพราะว่า

ไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมนะัเป็นเรื่องละเอียดไม่เหมือนกับการยกมือความรู้สึกที่เกิดจากการยกมือนะมันเป็นเรื่องหยาบเนีกายเนี่ยเป็นเรื่องหยาบอยู่แล้วถ้าเรื่องหยาบเนี่ยนะเราไม่ไม่มีสติรู้นะเราจะไปรู้เรื่องละเอียดได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นใหม่ๆก็ให้รู้กายเป็นหลักนะอย่าเพิ่งไปสนใจว่าคิดอะไรทําไมถึงคิดเมื่อกี้

ไม่ต้องไปสนใจนะให้มารู้กายนะไม่ต้องไปคิดตามดูรู้ทันจิตใจนะแต่มันจะเกิดขึ้นเองนะเมื่อเราเมื่อสติเราไวนะสามารถที่จะผูกจิตไว้กับกายได้อย่างต่อเนื่องนะพอกายขยับก็รู้นะไอความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญนะทีแรกเนี่ยนะมีสติ

จึงค่อยรู้สึกตัวนะคือพอใจลอยไอ้ตอนที่ใจลอยนี่ไม่รู้สึ ก, ก น, นะว่ามือยกเท้าขยับนะแต่พอมีสติรู้นะว่าใจเผลอคิดแล้วนะใจไปหลงคิดแล้วนะพอมีสติรู้ตรงนี้เนทะ่านั้นะจิตมันกลับมาพอกลับมากับกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกนะว่ามือกาลังยกเท้ากาลังขยับตัวกาลังเคลื่อนที่แรกสติเนี่ยมันทำให้รู้สึก

นะทำไมรู้สึกตัวหรือทำไมรู้สึกว่ากายกำลังทำอะไรแต่ต่อไปต่อไปนะที่หลังนะไอความรู้สึกของกายนี่แหละมันจะไปเตือนมันจะไปช่วยทำให้เมื่สติไวขึ้นนะคือพอใจเราลอยเนี่ยใจเราลอยไปโน่นไปนี่หรือกำลังหมุนบุ้นคุ้นคิดกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างจู่ๆก็จะรู้สึกนะว่ามือกำลังขยับเท้ากำลังขยื่นไอความรู้สึกเนี่ยมันจะ

เตือนให้จิตเนี่ยมีสติรู้ตัวขึ้นมานะแล้วพอรู้ตัวเนี่ยน ะ, ร, ววะรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงนะจิตก็จะกลับมาเลยนะมัน ค, คล้ายๆกับเวลาเราใจลอยนะคิดโน่นคิดนี่บางทีกลุ้มอกกุมใจนะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยตัวเองเจ็บป่วยบ้างพ่อแม่เจ็บป่วยบ้างกลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ย

หรือว่ากลุ่ม อ, อกเรื่องงานเรื่องการใจลอยจูย่ๆมีคนมาสัมผัสตัวเรามาแตะมือมาแตะไหลเนี่ยทันทีที่เรารู้สึกนะว่ามีมือมาสัมผัสที่ไหลเราเนี่ยนะเราได้สติเลยจากเดิมใจที่มันลอยคิดไปโน้นคิดไ ป, น, ดป น, นี่นะ้มันกลับมาเลยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวนะเพราะมีการสัมผัสเพราะรับรู้ถึงการสัมผัสที่เกิดขึ้นกับกาย

เพราะมีคนมาสัมผัสเราแต่ว่าในการปฏิบัติอย่างที่เราทำเนี่ยนะเราไม่ต้องรอ้อยใครมาสัมผัสตัวเรานะแต่ว่าการที่เรายกมือนี่แหละนะการที่เราเดินนี่แหละนะมันมีการเคลื่อนไหวมันมีความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นตลอดเวลาไอ้ความรู้สึกงกายนี่แหละนะมันจะมันจะไปเตือนให้จิตเนะี่ยที่หลงที่เพลินนี่กลับมามีสติรู้ตัวแล้วก็กลับมา

อยู่กันเนื้อกับตัวผู้ยานั่นคือว่าร่างกายมันส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณเป็นความรู้สึกไปไปเตือนจิตให้มีสตินะและด้วยเหตุ น, นี้แหละนะสติเราก็จะดีขึ้นเราก็จะรู้ทันอารมณ์มากขึ้นเราจะไม่หลงนะเป็นท่าของอารมณ์นะเนิ่นานานอย่างที่เคยเป็น จ, จิตนันจะเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามีมีสติเนี่ยเป็นเครื่องช่วย

แล้วก็เป็นสติที่เกิดจากการที่เราได้ฝึกนะฝึกให้รู้กายนะเป็นเบื้องต้นอันนี้คือคือคือเหตุผลนะนะที่เรามามายกมือนะจะทำนะเพียงสักแต่ว่าทำนะแต่ว่ า, าทำโดยที่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไร

แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับว่าจะต้องไปตั้งคําถามจะต้องไปหาเหตุผลอะไรกับมันนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องไปไปคิดหาคําตอบนะลองทําไปก่อนนะทําไปดูที่ร้องไม่คิดดูนะทาไปดูที่ยังไม่ต้องคิดเพราะว่าถ้าคิดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เราก็เผลอแล้วนะเพราะว่าตอนที่มาสร้างตัวเดิน <c oughs> เดินอย่างกลมเนี่ย

ก็เป็นการฝึกเพื่อระาวาังความคิดทั้งหลายลงนะนัไม่ต้องจำแนกแจกแจงยังไม่ต้องอคิดทายเหตุผลกับมันนะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองมาไต่ตองดูก็ได้นะเออมันเป็นอย่างนี้จริงไหมนะแต่ว่าไอตอนที่ลงมือทำเนี่ยเราก็วางความคิดทั้งหลายลงไปนะไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคุ้นไม่ต้องวิเคราะห์อะไรทั้งสิน้นนะ

พอถ้าเผลอทำเมื่อไหร่เนี่ยมันก็น่าจะทำด้วยความอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ว่าจิตมันก็นะไม่มีทางหรือยากที่จะเติบโตมีสติได้แล้วถ้าเราถ้าเรานะเอาเอาความรู้สึกตัวเนี่ยนะไปนะไปสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยนะในเวลาที่เราอยู่ในอิเียบท อ, อื่นนะ

ก็คือว่าพอไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะแล้วเราไปเราเดินลงศาลาเราเดินไปที่ที่พักนะเราจัดที่นอนก็ให้มีสติมีความสึกตัวหรือรู้สึกว่ารู้สึกอ่รู้สึกตัวไปด้วยนะอย่าไปปฏิบัติหรือไปอย่าจำกัดการปฏิบัติของเราแต่เฉพาะเวลาสร้างจังหวะเดินจงกรมหรืออยู่บนศาลาเท่านั้น

ืนเช้าขึ้นมาก็ให้ถือว่าการปฏิบัติของเราเริ่มต้นแล้วนะล้างหน้าถูฟันก็ให้มีสติความหมายคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนตัวอยู่ตรงในห้องน้ำนะใจก็อยู่ตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวเพิ่งมาสนใจว่าที่หอใจนะนะจะมีใครมากี่มากน้อยหรือว่าที่บ้านเราก็าตื่นกันหรื อ, อยังนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่เป็นหลัก ง, ง่ายนะ

องการเจริญสติของการฝึกสติลนะ้างหน้าถูฟันนะบางคนอาบน้ําหรือว่าเก็บที่นอนก็ให้มีสติมีความสึกตัวเอาใจใส่ลงไปในทุกอย่างที่เราทําจะต้องเป็นใจเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึ่งๆงกลางกไม่ใช่ถูฟันไปนะก็คิดเรื่องงานการไปอันนี้เรียกว่ามันครึ่งคึ่งกลางๆอาบน้ําไปนะ

ก็คิดนับวันถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะกลับสักทีกลับแล้วถึงบ้านจะทำอะไรจะไปกินอะไรเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนอันนี้เรียกว่าใจมันไม่เต็มร้อยแล้วกับสิ่งที่ทํากับการอาบน้าแต่ว่าใจมันคืขึ้นกลางกละงอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าทาอย่างนั้นแล้วเนี่ยะสะติเราก็จะเติบโตยากแล้วเราก็จะกลายเป็นคนฟุง้งซ่านเหมือนเดิมลองฝึกนะกับ

การมีสติมีความสึกตัวกับทุกเรียบทกับทุกกิจกรรมนะที่เราทำนะตั้งแต่เช้าจนจดค่ำนะอันนี้แหละนะเป็นจะเป็นการนะสร้างพื้นที่ที่สงบเย็นนะโปรง่งโล่งให้กับจิตใจของเรามันเป็นเวลาหลายปีแล้วนะทีนะ่เรานะมี

พื้นที่รอบตัวที่กว้างขวางนะแต่ว่าใจคับแคบใจนะอัดแน่นไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นะรู้สึกคับใจนะไม่ปลอดโปร่งนะตอนนี้เราจะมาทำให้พื้นที่ในจิตใจของเราเนี่ยนะมันเป็นพื้นที่ที่สงบเย็นโปร่งลนะโล่งนะไม่มีขอบเขตด้วยการที่พาใจเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างต่อนเนื่อง

ความนี้งผู้กันเท่านี้นะครับฮะ